บทที่11อคนจนดูเหมือนท่านได้เคยบอกผมใช่ไหมครับโรเยอร์ถามขึ้นในวันหนึ่งว่ามีสถานที่ซึ่งไม่น่าอยู่เหมือนกับภูมิของเรานี้จริงอย่างนั้นข้าพเจ้าตอบสถานที่เช่นนั้นอยู่ในที่ไหนครับเรื่องนี้เห็นจะตอบยากโรเยอร์เพราะเมื่อในโลกทิพนี้ไม่มีทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกแล้ว ก็เป็นการยากที่จะตอบว่าสถานที่นั้นๆอยู่ที่ไหนกันแน่แต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถไปถึงสถานที่นั้นได้ทันทีเธอต้องการไปดูสถานที่นั้นหรือเด็กหนุ่มตั้งคิดอยู่ครู่หนึ่งผมคิดว่าให้ท่านมองซินเยอร์และคุณรูธ ช, ช่วยออกความเห็นให้ดีกว่าครับถ้าเช่นนั้นฉันคิดว่าในระยะนี้อย่าเพิ่งไปดูก่อนจะดีกว่าโรเยอร์ อันที่จริงเราสามารถจะคุ้มภัยทุกอย่างให้แก่เธอได้เสมอแต่ที่ห้ามไว้ในขณะนี้ก็เพราะเกรงว่าเธอจะใจคอไม่ดีเมื่อได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นมานั่นเองแต่มีข้อที่ควรรู้อยู่อย่างหนึ่งโรเยอร์คือภูมิต่ำหรืออวัยภูมิเหล่านี้ไม่มีลักษณะเหมือนกับที่ศาสนาหมายถึงคริสต์ศาสนาในทางโลกมนุษย์เข้าใจกัน คือคนในโลกมนุษย์เข้าใจว่าเมื่อใครเข้าไปแล้วก็เป็นอันไม่ต้องมีการออกมาอีกตลอดการแต่ความเป็นจริงทุกคนที่อยู่ในที่นั้นไม่ว่าจะต่ำหรือมืดเพียงใดก็ตามมีโอกาสจะกลับตัวได้เสมอและเมื่อเขากลับตัวหรือว่ากลับใจได้แล้วเขาก็มีโอกาสออกมาจากภูมิเะนนั้นได้หลักการมีอยู่ว่า เราที่นี่สามารถจะเลื่อนชั้นภูมิเขาเราขึ้นไปได้อีกโดยการทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปชันใดผู้ที่อยู่ในนรกหรือภูมิต่ำเช่นนั้นก็สามารถจะเลื่อนภูมิของเขาขึ้นมาจนถึงภูมิของเรานี่ได้ชั้นนั้นเธอเห็นกระท่อมเล็กๆที่นั่นไหมกระท่อมที่มีต้นไม้สูงขึ้นอยู่สองข้างนั่นแหละผู้ที่อยู่ในกระท่อมนี้แหละ เป็นตัวอย่างของหลักการที่ฉันได้บอกแก่เธอแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในภูมิเช่นนั้นมาก่อนและบัดนี้ด้วยความสนึกผิดของตนจึงได้เลื่อนภูมิขึ้นมาขั้นนี้แล้วนั่นไงเจ้าของบ้านเขาเห็นเราแล้วขณะนี้เจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในสวนได้ลายเห็นเราและกำลังโบกมือให้แก่เราด้วยความยินดีคุณรูทท่านมองสินเยอ เขาร้องทักด้วยความดีใจย็นดีแล้วเกินครับที่ได้พบคุณทั้งสองรู้สึกว่าคุณทั้งสองหายไปสนานทีเดียวอ้อแล้วก็เพื่อนหนุ่มของเราคนนี้เป็นใครครับดูเหมือนผมจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราได้แนะนําให้โรเยอร์รู้จักกับเขาและอธิบายว่าที่หายไปสนา น, านก็เพราะกําลังพาโรเยอร์เที่ยวชมภูมิประเทศ และให้การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตใหม่แก่เขาอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมู่นี้สำหรับคุณรูธถามสบายดีครับผมรู้สึกสบายดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนเป็นอย่างไรครับโรเยอร์ถามเกลียบกันไม่ได้เลยเธอชายผู้นั้นตอบแต่ตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าโรเยอร์แล้วเธอจะได้เห็นกระท่อมในชนบทของโลกทิป ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรภายในกระท่อมนี้เจ้าของบ้านได้จัดไว้อย่างสะอาดและเรียบร้อยน่าดูมากเครื่องประดับตกแต่งบ้านเป็นแบบโบราณแต่ก็ได้รับการขัดถูและชักเงาเป็นอย่างดีบนโต๊ะมีดอกไม้อันสวยงามใส่แจกันวางไว้ทั่วๆวไปแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เอาใจาใส่ดูแลรักษาบ้านของเขาเป็นอย่างดี ฉันยินดีจะบอกเธอโดยแม่ละอายเลยโรเยอร์ว่าสภาพของฉันเมื่อตอนที่มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆนั้นเร็วกว่า น, นี้มากที่ฉันได้มีที่อยู่เช่นนี้ได้ก็พระท่านมองซินเยอร์คุณรูธและท่านเอ็ดวินนั่นเองอ๋อท่านเอ็ดวินไปไหนใช่หรอครับมูนี้เอ็ดวินกำลังมีธุระยุ่งรูธตอบเราเองก็ไม่เคยได้พบเขาบ่อยนัก และขณะ น, นี้เรากำลังดูแลโรเยอร์อยู่ด้วยผมยังไม่ลืมบุญคุณที่ท่านทั้งสามได้ช่วยผมไว้เลยการพบกันครั้งแรกของเรานั้นผมจะจำไว้ตลอดไปถ้าเธอไม่รังเกียจช่วยเล่าให้โรเยอร์ฟังสักหน่อยก็ดีได้ครับถ้าเป็นความประสงค์ของท่านแต่ก่อนอื่นเธอควรจะทราบเสียด้วยโรเยอร์ ว่าเหตุใดฉันจึงตกไปอยู่ในสภาพอันเลวซามต่ำช้าเช่นนั้นเมื่อมาถึงโลกทิพย์ใหม่ใหม่ในตอนแรกเมื่อตอนที่ฉันอยู่ในโลกมนุษย์นานโรเยอร์ฉันเป็นนักธุรกิจที่ได้ประสบความสำเร็จในการงานคนหนึ่งทีเดียวฉันไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากการค้าขายและฉันก็ถือว่าในการติดต่อกับผู้อื่นนั้นเราต้องพยายามเอาเปรียบเขาให้ได้มากที่สุด และวิธีการใดๆก็ตามถ้าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอันใช้ได้เสมอส่วนที่ว่าผู้อื่นจะต้องได้รับความลำบากหรือเดือดร้อนอย่างใดนั้นฉันไม่เคยคิดเพราะถือว่าเป็นเรื่องของเขาเองความสามารถในการหาอุบายเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นประกอบกับการไม่มีใจกรุณาทำให้ฉันเป็นนักธุรกิจที่ประกอบการสาเร็จในชีวิตอย่างน่าพอใจ ในบ้านอันใหญ่โตของฉันมีบุคคลที่ฉันคิดถึงอยู่คนเดียวคือตัวของฉันเองคนอื่นๆไม่มีความหมายสำหรับฉันฉันคนเดียวเป็นผู้ออกคำสั่งและเขาทั้งหมดจะต้องทําตามคำสั่งของฉันโดยเคร่งครัดฉันเคยทําบุญมากเหมือนกันในเมื่อฉันเชื่อว่าฉันจะได้รับประโยชน์และการยกย่องอย่างคุ้มค่า เรื่องที่ว่าทําบุญโดยไม่มีใครรู้นั้นฉันทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการออกเงินทําบุญฉันก็จะต้องติดตามดูว่าชื่อของฉันจะต้องปรากฏเด่นพอดูทีเดียวฉันเคยออกเงินสร้างโบสถ์ในตําบลที่ฉันอยู่เหมือนกันและฉันก็ได้คอยติดตามดูว่าชื่อของฉันมีปรากฏให้เห็นเด่นจริงๆบ้านของฉันมีขนาดและลักษณะ สมกับที่ฉันเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงตอนนั้นฉันถือว่าฉันเป็นเทวดาองค์หนึ่งทีเดียวฉันภูมิใจในตัวเองเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาสู่โลกทิพนี้และก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเองเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาจอมปลอมเทวดาที่ส ก, กปรกเร็วที่สุดที่จะพึงมีได้ในโลกทิพย์ ตอนที่ฉันตายจากโรคมนุษย์มานานฉันมีอายุเลยวัยกลางคนได้ประมาณหนึ่งหรือสองปีฉันเชื่อว่าฉันจะต้องได้รับการทำศพให้อย่างมโหลานมีพิธีอันใหญ่โตหรูหราและมีผู้เศร้าโศกเสียใจมากมายแต่ฉันก็ได้มารู้ในภายหลังว่าไม่มีใครเสียใจในการตายของฉันเลยตรงกันข้ามเข้ากับพากันดีใจเสียอีก บางคนกลับว่าพวกปีศาจร้ายมันได้พาฉันไปอยู่กับมันแล้วในที่สุดบางคนก็กล่าวว่าฉันเป็นตัวผีนรกพลัดมาเกิดในโลกมนุษย์ฉันตายเสียได้แผ่นดินคงจะสูงขึ้นอีกนี่แหละโรเยอร์คนข้างหลังเขาคิดถึงฉันแบบนี้และในระหว่างนั้นเธอรู้ไหมโรเยอร์ว่าฉันได้มาอยู่ที่ไหนในโลกทิพย์ ฉันตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองมานอนอยู่ในกระต้อปโกโรโกโซที่แสนสกปรกหลังหนึ่งเธอคงจะคิดไม่ถึงดอกโรเยอร์ว่ามันสับปะรังเคและน่าทุเรศเพียงใดฉันจะพาเธอไปดูก็ได้เพราะมันยังอยู่ที่เดิมนั่นเองเธอลองคิดดูก็ได้ว่ามันเป็นความทรมานอย่างแสนสาหัสเพียงใด ในเมื่อฉันซึ่งเคยอยู่ในบ้านอันใหญ่โตเหมือนปราสาทมาแล้วกลับต้องมาอยู่ในกระตอบหลังเล็กๆ เ, เหมือนรูหนูและสกปรกรุงรังเช่นนั้นและนอกจากนั้นกระตอบหลังนี้ยังอยู่ในสถานที่ที่โดดเดี่ยวและการดานอย่างที่สุดไม่มีสวนหรือต้นไม้อื่นใดเลยโดยรอบบริเวณในที่ใกล้ๆนั้นสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในกระต๊อปหลังนี้มีแต่ความแห้งแล้งเปล่าเปลี่ยวและน่าทุเรศอย่างเหลือเกินถ้าเธอได้ไปเห็นกระต๊อปหลังนี้เธอคงจะต้องนึกว่าเป็นที่อยู่ของพวกที่ยากจนอย่างที่สุดซึ่งก็ไม่ห่างไกลกันกับความเป็นจริงนักเพราะว่าถึงแม้ว่าฉันจะเคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยเงินทองอย่างมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อว่าโดยจิตใจแล้ว ฉันเป็นผู้ที่ยากจนแสนเข็ญ จ, จริงๆสะด้วยฉันไม่เคยช่วยเหลือใครด้วยความสุจริตใจหรือด้วยความเอื้อเฟื้อเลยนอกจากจะทำไปเพื่อเป็นการโฆษณาตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเสื้อผ้าชุดที่ฉันสวมใส่อยู่ก็ขาดกระลุ่งกระริ่งและสกปรกสิ้นดีแน่ละ เมื่อฉันตื่นขึ้นมาพบตัวเองอยู่ในสภาพของยาจกเช่นนี้ฉันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันทีเพราะดูมันไม่สมกับที่ฉันได้เคยตั้งความหวังไว้เลยแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลยเป็นอันว่าต้องติดตังอยู่กับบ้านรูหนูนั่นเองฉันมองออกไปทางหน้าต่างก็ไม่ปรากฏว่ามีภาพที่น่าดูอย่างใด นอกจากความอ้างวางแห้งแล้งและเปล่าเปลี่ยวโดยรอบบริเวณภายในก็ไม่มีความน่าดูน่าอยู่และยังแถมภายนอกก็ไม่มีอะไรน่าดูเสอีกเธอคิดดูเถิดว่ามันเป็นความทรมานอย่างร้ายแรงเพียงใดฉันงุ่นง่านโกรธแค้นสาบแช่งใครต่อใครตลอดเวลาจนกระทั่งท่านเอ็ดวินได้มาพบฉันเข้าท่านเอ็ดวินได้มาหาฉันในวันหนึ่ง และฉันก็ได้แสดงอาการต้อนรับท่านอย่างที่เคยทำมาในโลกมนุษย์คือโดยอาการเกลี้ยกล่อดวางอำนาจคล้ายกับว่าท่านเป็นลูกน้องคนหนึ่งของฉันแต่กับท่านเอ็ดวินเป็นบุคคลสุดท้ายนะที่ฉันได้แสดงอาการเช่นนั้นท่านเป็นคนใจดีเยือกเย็นเหลือเกินท่านได้พยายามอธิบายเหตุผลให้ฉันฟังแต่ในตอนนั้น จิตใจของฉันมันมืดมนอย่างยิ่งฉันจึงไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆเลยฉันโกรธแค้นอย่างแสนสาหาัสมันเป็นความโกรธที่ผสมกับความหลงคือไม่รู้ความจริงว่าโดยที่แท้แล้วผู้ที่ตัวควรจะโกรธมากที่สุดก็คือตัวของตัวเองแต่ฉันก็ไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามฉันมีเครื่องนึกปลอบใจตัวเองอยู่อย่างหนึ่งว่า เรื่องทั้งหมดนี้พวกพระควรต้องได้รับส่วนแบ่งแห่งความผิดบ้างเหมือนกันเพราะท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ชักนำให้ฉันเดินผิดทางไม่ใช่เพราะพวกพระดอกหรือที่ทำให้ฉันได้บริจาคทานไว้เป็นอันมากไม่ใช่เพราะพวกพระดอกหรือที่ป้อยอทาให้ฉันหวังว่าผลของการบริจาคทานเหล่านั้นจะเป็นเครื่องเกื้อกูลฉันในชาติหน้าอย่างมากมาย ฉันคิดว่าฉันได้รับความอายุติธรรมอย่างยิ่งจากพวกพระซึ่งทงั้งทั้งที่ฉันได้เป็นมรกทายกเป็นมหาอุบาสกได้ช่วยเหลือถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังหลอกลวงฉันได้ลงคอทําให้ฉันต้องมาได้รับทุกทรมานเช่นนั้นฉันจะทําอย่างไรดีตอนนั้นฉันรู้ว่าได้ตายจากโรคมาดุสมาแล้วแต่ความรู้เช่นนี้ก็ดูจะไม่มีประโยชน์อย่างไรนัก ฉันคงจะได้ส่งกระแสจิตขอความช่วยเหลือออกไปเป็นแน่เพราะในขณะต่อมาฉันก็เห็นชายคนหนึ่งเดินตรงมาชายผู้นั้นก็คือท่านเอ็ดวินนั่นเองท่านผู้นี้ได้มาเยี่ยมฉันหลายครั้งด้วยกันแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยได้รับประโยชน์อย่างใดเพราะแม้ท่านจะอธิบายเหตุผลอย่างไรฉันก็เกลี้ยกลาดอดอกับท่านจนท่านต้องล่าถอยออกไปเอง ตอนนั้นฉันเลวมากหยาบคายมากแต่ท่านเอ็ดวินก็มีความอดทนมากเหมือนกันอันที่จริงท่านอาจจะตอบโต้ฉันได้มากกว่านั้นแต่ท่านก็อดทนได้เป็นอย่างดีเมื่อฉันแสดงอาการเกลี้ยกล่อดกับท่านหนักเข้าท่านก็ออกจากกระท่อมค้นชันไปเสียปล่อยให้ฉันงุ่นง่านไปตามลำพังในที่สุดท่านก็กลับมาอีก แต่คราวนี้ได้นำเพื่อนมาด้วยสองคนคือท่านมองซินเยอร์กับคุณรูทนั่นเองและการมาของท่านครั้งนี้เองจัดได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวที่สำคัญในชีวิตของฉันคุณรูทและท่านมองซินเยอร์ยืนอยู่ห่างในตอนนั้นคงมีแต่ท่านเอ็ดวินได้เข้ามาหาฉันโดยใกล้ชิดคราวนี้ฉันรู้สึกว่ามีความโกรธน้อยลงไปเมื่อฉันมองเห็นคุณรูทเข้า การที่ฉันได้เห็นคุณรูดนี่เองได้เป็นเสมือนแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจของฉันเพราะคุณรูดได้ทําให้ฉันนึกถึงบุตรสาวของฉันขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ฉันก็ไม่ได้เอาใจใส่ต่อบุตรสาวของฉันเท่าใดนักเมื่อตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์อันที่จริงไม่ใช่เพราะว่าคุณรูดกับบุตรสาวของฉันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกันดอกที่ทาให้ฉันนึกถึงเธอ แต่เป็นเพราะว่าอุปนิสัยใจคอนั่นเองคราวนั้นคำพูดและเหตุผลของท่านเอ็ดวินทำให้ฉันได้คิดและหลังจากที่เขาได้ไปกันหมดแล้วฉันก็เกิดความอ้างว้างและเปล่าเปรี่ยวอย่างบอกไม่ถูกและพร้อมกันนั้นก็รู้สึกเสียใจในความเร็วสามของตนเองอีกด้วยฉันร้องไห้ออกมาดังๆอย่างไม่ละอายเลยและเริ่มรู้สึกว่า อยากให้ท่านเอ็ดวินกลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันได้เคยแสดงกิริยาหยาบคายต่อท่านไว้มากเหลือเกินเธอลองนึกดูก็ได้ว่าฉันจะมีความดีใจและแปลกใจสักเพียงใดเมื่อพอฉันคิดว่าอยากจะพบท่านเอ็ดวินเท่านั้นท่านก็มาปรากฏตัวให้ฉันเห็นทันทีและนับตั้งแต่นั้นมาฉันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้ว ก่อนอื่นฉันขอบคุณท่านเอ็ดวินเท็ดดูสามาหาฉันในทันทีเธอควรจะรู้ไว้สักหน่อยว่าฉันไม่คยได้กล่าวคำขอบคุณใครบ่อยนักหรอกครั้นแล้วฉันก็ขออภัยที่ได้แสดงกริยาหยาบคายแก่ท่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ท่านได้กล่าวว่าเรื่องนั้นไม่มีความสำคัญอย่างใดเลยสิ่งที่สำคัญก็คือ ท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าฉันเริ่มกลับใจได้แล้วและต่อไปนี้ฉันก็คงจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากความหลงผิดและความยากจนแห่งจิตใจของตนเองอีกต่อไปต่อจากนั้นท่านเอ็ดวินได้แนะนำฉันถึงวิธีที่จะทำให้ฉันได้มีโอกาสหลุดพ้นจากขุมนรกรูหนูไปได้ท่านเอ็ดวินได้แนะนาให้ฉันทาตาม โดยให้ทนอยู่ที่เดิมต่อไปอีกช่วยระยะเวลาสั้นๆ ส, สักพักหนึ่งก่อนแล้วท่านก็จากไปโดยสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ในไม่ช้าหลังจากท่านเอ็ดวินได้กลับไปแล้วในตอนนี้จิตใจของฉันค่อยสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างฉันเหลียวมองดูรอบๆตัวเองก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมของฉันดูแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่อยู่รู้สึกว่าสกปรกน้อยลงเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มีความรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างนับตั้งแต่ได้เข้ามาสู่โลกทิพย์ฉันจะไม่เล่าให้เธอฟังโดยละเอียดถึงความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังที่ฉันได้กระทำเมื่อตอนที่จะนำตนเองให้พ้นจากคุมนรกครูหนูแห่งนั้นมันเป็นงานที่หนักเอาการอยู่เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อชดใช้ความเร็วสามแต่หนหลังของเราเองแต่ฉันก็อุ่นใจที่มีผู้คอยให้กําลังใจอยู่เสมอเป็นไงโรเยอร์เดี๋ยวนี้เธอได้เห็นฉันเปลี่ยนไปจากเดิมยังกลับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ฉันทำงานอะไรก็คืองานที่ท่านเอ็ดวินได้กระทำต่อฉันมานั่นแหละงานนี้ฉันทาได้ผลดี เพราะว่าฉันเคยเป็นคนเช่นนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งเขากล่าวพร้อมกับหัวเราะหึห่หึป่านนี้พวกมนุษย์ส่วนมากคงจะลืมฉันแล้วแต่ถึงพวกเขาจะนึกถึงฉันได้ในบางครั้งเขาก็คงจะคิดไม่ถึงดอกว่าฉันได้กลับใจและได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วบทที่สิบสองความโง่ของคนฉลาด นับตั้งแต่เธอได้เข้ามาอยู่ในโลกทิพนี้แล้วโรเยอร์เธอเคยคิดบ้างไหมว่าโลกทิพนี้เป็นเพียงภาพลวงตาไม่มีความจริงข้าพเจ้าเอ่ยถามโรเยอร์ในวันหนึ่งโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกครับมีใครเคยคิดอย่างนี้หรือครับก็มีอยู่ไม่น้อยบุคคลประเภทนี้ในโลกมนุษย์เราเรียกกันว่าเป็นนักปรัชญา ตลอดจนถึงพวกที่อาศัยนักปรัชญาเหล่านี้ทำเงินเข้ากระเป๋าก็คิดเช่นนี้เหมือนกันพวกนี้ไม่เคย ร, รู้เรื่องอะไรมากมายนักหรอกแต่ก็คุยฟุ้งเหมือนกับว่าตัวเองรอบรู้ไปหมดทุกอย่างเขาวางตัวเป็นผู้รู้วิชาทุกอย่างของโลกมนุษย์ยังไม่พอยังคิดว่ารู้ตลอดมาถึงโลกหน้าอีกด้วยทีนี้พอมีใครถามถึงเรื่องนี้เข้าก็ชักอึกอัก ตอบไม่ใครถูกเสียแล้วแต่เขาไม่ยอมจนปัญญาดอกเขาเที่ยวเก็บความรู้จากที่นุ้นบ้างที่นี่บ้างมาประติดประต่ อ, อ ก, กันเข้าแล้วก็มัวเมตอบว่าโลกทิพย์เป็นโลกที่เป็นเงาๆมีลักษณะคล้ายกันกับโลกมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าไม่น่าอยู่และยิ่งใหญ่เหมือนโลกมนุษย์เธอเคยได้ยินคาสั่งสอนเรื่องความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์บ้างหรือเปล่า เคยครับเคยได้ฟังเทศในบางครั้งที่ผมไปวัดแต่ก็คงไม่บ่อยนักหรอกนะฉันหมายถึงการไปวัดของเรานะทั้งรูดและโรเยอร์หัวร้อขึ้นพร้อมกันทั้งคู่ดูจะมีนิสัยรื่นเริงเหมือน ก, นกันกับข้าพเจ้าและเรามักพูดจาหยอกล้อขำขำระหว่างกันเสมอเพราะเรารู้ดีว่าไม่มีความจาเป็นอย่างใดที่เราจะต้องทาหน้าบึ้งเข้าหากัน อารมณ์ขันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของเราและเราก็ชอบทำให้เพื่อนฝูงของเรายิ้มหรือหัวเราะเพราะเราถือว่าเราก็มีหัวใจเป็นมนุษย์เหมือนกันหลักคำสอนเรื่องการแผ่เมตตา น, านั้นเป็นหลักการที่ดีมากแต่ผู้สอนเรื่องนี้แต่เดิมก็ได้เข้าใจและเห็นความจริงในเรื่องนี้ยังแจ่มแจ้งแก่ใจว่าข้อปฏิบัติเช่นนั้นมีอ น, นิสงเพียงใด แต่พอตกมาถึงสมัยนี้กลับไม่ค่อยมีใครเชื่อถือและปฏิบัติตามกันโดยเฉพาะถ้าเป็นคำสั่งสอนที่ชาวโลกทิพย์แนะนำให้พวกหัวเรื่องเหล่านี้ทำให้เราลำบากมากในเมื่อต้องมาอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือใครก็ตามผู้มีหน้าที่ต้องคอยดูแลเขาและนอกจากนั้นยังทำให้ประชาชนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยพากระหลงผิดตามไปอีกด้วย แล้วในที่สุดความเห็นผิดเหล่านั้นก็ต้องมาได้รับการแก้ไขกันที่นี่โรเยอร์ต่อให้ใช่แล้วแต่สำหรับในรายของเธอนั้นเป็นเรื่องพิเศษเหมือนกับเป็นวันหยุดงานของเราเช่นนั้นส่วนในรายอื่นๆนั้นพวกเราต้องทำงานกันอย่างหนักทีเดียวอันที่จริงการที่ไม่มีความรู้อะไรในเรื่องโลกหน้าเชลเลยจะดีเสียกว่า แต่สําหรับพวกชาวโลกมนุษย์โดยมากเนื่องจากมีความเห็นผิดผิดเป็นพื้นฐานอยู่แต่ก่อนแล้วทั้งสิน้นจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสิ้นดีอย่างเธอเป็นต้นโรเยอร์เธอไม่มีความรู้อะไรเลยในเรื่องโลกทิพย์และก็ไม่ได้ถือทิฏฐิผิดผิดอย่างใดเป็นทุนเดิมความไม่รู้ของเธอในกรณีเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นความเลวร้ายแต่อย่างใด เธอมีจิตใจที่ว่างเปล่าและบริสุทธิ์สะอาดพร้อมที่จะรับแนวความคิดใหม่ๆได้เสมอสิ่งที่มีเหตุผลอย่างร้ายแรงอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องภาษาพูดของชาวโลกทิพย์ทั้งหลายที่นักบวชเหล่านั้นโดยมากมักถือว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเสมอไปโดยในนี้เป็นอันว่าชาวโลกทิพย์ทั้งหลายต้องเป็นชาวอังกฤษเท่านั้น ไม่มีชาวโลกทิพย์อื่นอีกเลยเธอคิดดูเถอว่ามันเป็นเรื่องน่าหัวเราะเพียงใดแบบนี้คนชาติอื่นเขาก็คงพูดอย่างเดียวกันได้เหมือนกันล่ะครับก็แน่ละตัวอย่างเช่นชาวฝรั่งเศสเขาก็คงจะว่าชาวโลกทิพย์ทั้งหมดเป็นฝรั่งเศสเพราะเขาเห็นว่าผู้ติดต่อกันในโลกทิพย์ได้เป็นคนชาวฝรั่งเศสทั้งนั้นแล้วชาติอื่นๆแต่ละชาติ เขาก็ยังพูดเช่นเดียวกันนี้ได้ใครจะไปว่าเขาได้ทีนี้เธอลองคิดดูทีหรือว่าถ้านักบวชชาติต่างๆของโลกมนุษย์เหล่านี้มาพบกันเข้าเขาจะทำอย่างไรน่ากลัวว่าจะเป็นเรื่องที่ขบขันและอึดอัดสิ้นดีทีเดียวใช่ไหมผมคิดว่าคนชาติอื่นๆเขาก็คงต้องตายกันแบบเดียวกับที่เราตายนั่นเองใช่ไหมครับก็ต้องใช่สิเธอ อันที่จริงมันเป็นเรื่องง่ายเสียละเกินจนกระทั่งบรรดานักบวชทั้งหลายเข้าใจไม่ได้เลยและถ้าเป็นเช่นนั้นโลกทิพย์แถบที่เราอยู่กันนี้ก็คงเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมครับก็เธอลองดูลักษณะท่าทางดูสิว่ามันควรจะเป็นอย่างไรผมดูลักษณะภายนอกก็รู้สึกว่าคล้ายกับภูมิประเทศในบ้านเดิมของเรามากทีเดียวครับถูกแล้ว แม้ลักษณะของบ้านก็เป็นเช่นเดียวกันอันที่จริงเรายังไม่ได้ออกไปไกลเท่าใดนักเพราะที่นี่ก็มีภูเขาสูงๆอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้สำหรับบุคคลเล่าเธอเห็นเป็นอย่างไรก็เห็นสองคนคือท่านกับคุณรูทและอีกคนหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงคือท่านเอ็ดวินก็เป็นชาวอังกฤษอ้อต่อไปก็มีเรเดียนทวิง โอมาและเพื่อนของเขาถูกแล้วคนแรกเป็นชาวอเมริกันอินเดียนคนที่สองเป็นชาวคาลดีนที่สามเป็นชาวอียิปต์เป็นไงคิดไปคิดมาก็คล้ายกับว่าเป็นสมาคมน า, นานาชาติแล้วนะอ๋อเธอลืมเพื่อนในกระท่อมเมื่อกี้นี้ไปคนหนึ่งแล้วเขาเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันปัญหาก็คือว่า หลังจากที่เธอละจากโลกมนุษย์ไปแล้วเธอจะไปปรากฏอยู่ในโลกทิพย์อันเป็นดินแดนของชาติไหนเธอพอจะตอบได้ไหมเอเรื่องนี้ผมยังไม่เคยคิดครับก็น่าจะเป็นในดินแดนของชาวอังกฤษด้วยกระมังสมมติว่าเธอตื่นขึ้นแล้วพบว่าอยู่ในถ้ำกลางชนชาติอื่นเช่นชาวจีนเป็นต้นเธอจะรู้สึกอย่างไร น่ากลัวเห็นจะต้องตกใจตายไปอีกทีกระมังครับอ้าวทำไมล่ะเธออันที่จริงชาวจีนก็ไม่ใช่ป่าเถื่อนไปเสหมดโดยปกติแล้วเ้าก็เป็นคนที่ร่าเริงมีใจกรุณามีปัญญาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอนั่นแหละเป็นเรื่องที่พวกเรามักจะเข้าใจกันอย่างผิดๆคิดเสว่า ชาวโลกทิพย์จะต้องเป็นชาวอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับในเรื่องภาษาพูดนั้นก็ไม่มีความลำบากแต่อย่างใดเพราะที่เราสามารถติดต่อกันโดยกระแสะความคิดได้นั้นก็เป็นอันทําให้อุปสรรคในเรื่องภาษาไม่มีอีกต่อไปเพราะว่ากรรมวิธีดังกล่าวมาเป็นสิ่งที่ทากันได้โดยไม่เลือกชาติและภาษาแต่เมื่อเราตื่นขึ้นในดินแดนของพวกเราเองแล้ว ก็ใช้การพูดกันด้วยวิธีธรรมดาถ้าอย่างนั้นชาวโลกทิพย์ที่เป็นชาติอื่นๆก็คงมีที่อยู่อาศัยของตนเองที่ส่วนอื่นๆของโลกทิพย์ใช่ไหมครับก็เป็นธรรมดารเยร์ทุกชาติในโลกมนุษย์ก็มีโลกทิพย์เป็นส่วนของตนเองโดยเฉพาะตั้งอยู่หน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งของโลกทิพย์โดยปกติเราก็ชอบอยู่กับคนที่เป็นชาติเดียวกัน ซึ่งก็เป็นของธรรมดาการที่จะกาเกณฑ์ให้คนชาติที่มีขนบธรรมเนียมและนิสัยใจคออย่างหนึ่งไปอยู่ปะปนกับชนชาติที่มีขนบธรรมเนียมและนิสัยใจคออีกอย่างหนึ่งย่อมเป็นการผิดธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดแม้ในเรื่องบ้านก็เหมือนกันชนชาติหนึ่งก็มีความชอบในแบบบ้านอันเป็นของตนเองหรืออยากจะให้ประเทศของตนเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ ซึ่งเรื่องนี้เขาก็มีอิสระเสรีที่จะทำได้ตามใจชอบเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันแล้วโอมากับเพื่อนของเขาเราครับทำไมเขาจึงมาอยู่กับพวกเราชาวอังกฤษได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากความจริงแล้วโอมาและเพื่อนของเขาไม่ได้อยู่ในภูมิของเราานี้เขาอยู่ในภูมิที่อยู่เหนือชาติใดๆทั้งสิ้น r ร d i a n t w i n g ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันในภูมิอันเป็นที่อยู่ของท่านเหล่านี้ไม่มีความสำนึกในเรื่องชาติเหลืออยู่เลยถึงแม้ว่าจะยังมีลักษณะประจำชาติเหลืออยู่ก็าตามเธอพอจะเข้าใจที่ฉันพูดนี้ไหมรู้สึกว่ายังงงๆอยู่ครับคืออย่างนี้ที่เรื่องนี้โดยรูปร่างภายนอกแล้วอาจจะมีลักษณะประจาชาติ พอที่จะให้ผู้อื่นดูออกได้บ้างว่าแต่เดิมท่านเป็นคนชาตินั้นชาตินี้แต่โดยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวท่านเองแล้วจะไม่มีเรื่องชาติเหลืออยู่เลยดังนั้นแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าท่านไม่ได้เป็นคนชาติใดเลยด้วยก็ได้หรือว่าเป็นคนของทุกๆชาติด้วยก็ได้แต่ที่ฉันพูดนี้ก็คงจะต้องถูกคัดค้านจากบรรดา น, นักบวชในโลกมนุษย์อีกตามเคย แต่ผมรู้สึกว่าท่านเหล่านี้แม้จะเป็นคนต่างชาติแต่ก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนมากทีเดียวครับเหมือนกับว่าจะไม่มีเสียงเพี้ยนหรือแปลงเลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกนักบวชทั้งหลายชอบคัดค้านกันนักทีนี้ฉันอยากจะถามเธออีกสักหน่อยคือว่าเธอมีเหตุผลหรือข้อขัดข้องอย่างใดไหมซึ่งทําให้เธอคิดว่า เขาไม่ควรจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดถึงเพียงนั้นเอคิดๆไปดูก็ไม่น่าจะมีครับผมว่าเขาตั้งใจจริงๆก็น่าจะทําได้เหมือนกันนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงโรเยอร์ถ้าเขาตั้งใจจริงๆก็ย่อมทําได้คือถ้าเขาคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่งงานการของเขาเขาก็จะเรียน และเมื่อเขาเรียนเขาก็ต้องพูดได้ทำได้เรื่องเป็นดังนี้โรเยอร์โอมามีคนรู้จักในโลกมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องการพูดจาติดต่อกับพวกนี้บ้างทีนี้จะทำอย่างไรดีในเมื่อเขาเองเดิมคงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และชาวโลกมนุษย์คงพูดภาษาคาลดีนไม่ได้แน่นอนในโลกมนุษย์ ไม่สามารถจะเรียนภาษาคันดีนได้แต่โอมาสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและเขาก็เรียนได้โดยไม่มีความลำบากอย่างใดเธอย่อมรู้อยู่แล้วมันสมองของชาวโลกทิพย์ผิดกว่าของชาวโลกมนุษย์มากสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้ามาสู่ความจาแล้วเราจะไม่ลืมเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ เธอคิดดูทีหรือว่ามันจะมีความยากลําบากอย่างใดในการที่โอมาหรือใครๆจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดก็ตามเรเดียนทวิงเองก็มีความสามารถรู้ภาษาอังกฤษพอจะพูดสนทนากับชาวโลกมนุษย์พอให้เข้าใจได้เรื่องเช่นนี้พวกเราชาวโลกทิพตสามารถทําได้โดยไม่มีความยากลําบากอย่างใดเลย ทั้งในเรื่องความพยายามและในเรื่องเวลาอันที่จริงโรเยอร์หากเธอต้องการจะเรียนภาษาต่างประเทศใดๆก็ย่อมทำได้โดยไม่ยากเหมือนกันจะเรียนไปเพื่อใช้พูดหรือจะเรียนเพื่ออ่านหนังสือวรรณคดีของภาษานั้นๆก็ได้และเธอจะเรียนเมื่อใดก็ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้แต่นั่นแหละส่วนมากพวกเราก็ไม่ค่อยจะเรียนกัน เพราะไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นและยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งคือเรายิ่งเลื่อนภูมิสูงขึ้นไปเพียงใดแล้วก็จะยิ่งคิดถึงเรื่องชาติและภาษาน้อยลงเพียงนั้นนอกจากว่า น, น, นานๆครั้งก็มีเรื่องที่จะต้องทำเกี่ยวกับโลกมนุษย์จึงจะนึกขึ้นมาได้สมมติว่าเราต้องการจะไปยังดินแดนของชนชาติอื่นละครับจะทาอย่างไร โรเยอร์ถามอ้าวก็ย่ำตอกไปก็ได้แหมท่านมองสินเยือนี่จะทำให้โรเยอร์เสียนิสัยใหญ่ใช้แล้วรูดกล่าวต่อว่าข้าพเจ้าพร้อมกับหัวระท่านชอบพูดคำตลาดเช่นนี้แล้วจะให้โรเยอร์รู้จักพูดคำสุภาพได้อย่างไรนั่นไงโรเยอร์เธอนี่เองแหละมาทำให้ฉันเสียนิสยัยชอบพูดคำตลาดบ่อยๆอันที่จริง แต่เดิมฉันก็คอยระวังตัวเหมือนกันนะคือคอยระวังไม่พูดคำที่จะทำให้ชาวโลกมนุษย์เขาว่าได้ว่าไม่ใช่ผู้ดีเพราะเขาเห็นว่าเราจะต้องพูดคำยากๆห ร, รู้และฟังยากๆอยู่เสมอจึงจะสมเกียรติเป็นอันว่าเธอนี่เองทำให้ฉันเสียคนเรื่องการที่จะไปเยือนดินแดนของชนชาติอื่นนั้นไม่มีความยากลาบากอย่างใดเลย ที่เธอถามนี้ก็คงจะนึกถึงเขตแดนหรือพรมแดนระหว่างประเทศใช่ไหมขอบอกว่าที่นี่ไม่มีเขตแดนเช่นนี้เลยเธอจะไปไหนก็ได้ตามความพอใจและเธอก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกขนทุกแห่งอันที่จริงถ้าเธอค่อยๆเดินทางไปช้าๆแล้วเธอแทบจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย นอกจากภูมิประเทศและรูปลักษณะที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นพรมแดนหรือเขตที่ห่วงห้ามก็มีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นคือพรมแดนระหว่างภูมิหนึ่งกับอีกภูมิหนึ่งแต่พรมแดนด้านดังกล่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาคือไม่มีเป็นรูปหลักหรือรั้วป้องกันเอาไว้ดังเช่นในโลกมนุษย์นอกจากว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแสงประการหนึ่ง คือจะมีแสงมืดมัวลงหรือเจิดจ้าก็ได้สุดแล้วแต่กรณีหากไม่มีเช่นนั้นก็จะมีความรู้สึกที่ไม่สบายอย่างยิ่งคือจะทำให้ไม่สามารถล่วงล้าต่อไปอีกได้เรื่องนี้เป็นไปเองโดยธรรมชาติมันเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดจะไปโต้เถียงได้และเป็นกฎที่ทำงานโดยไม่มีผิดพลาดหรือบกพร่องแต่อย่างใดเลย ยกตัวอย่างเช่นกฎแห่งความดึงดูดเป็นต้นก็เป็นกฎธรรมชาติของโลกมนุษย์เหมือนกันไม่มีใครสามารถจะโต้แย้งกฎนี้ได้เลยเพราะถึงจะโต้แย้งอย่างใดก็เป็นการโต้แย้งไปข้างเดียวและจะไม่มีผลเกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงภูมินี้โดยเฉพาะแล้วเธออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนภูมินานาชาติชฉนั้น เพราะว่าในภูมินี้เธอจะได้พบบุคคลทุกชาติทุกภาษาที่นี่บ้างก็มาบ้างก็ไปและบ้างก็พักอยู่ชั่วคราวเรื่องผู้มาและผู้ไปนั้นผมพอจะเข้าใจโรเยอร์กล่าวแต่สำหรับผู้ที่อยู่ชั่วคราวนี้หมายความว่าอย่างไรครับอันที่จริงเธอก็ได้พบอย่างน้อยคนหนึ่งแล้วเป็นแต่ว่าเธอไม่รู้เท่านั้น เขาผู้นั้นก็คือเรเดียนวิงนั่นเองอ้าวท่านผู้นี้ไม่ได้อยู่ที่ภูมินี้โดยตรงดอกหรือครับเปล่าเลยโรเยอร์ Roger. น่าแปลกมากครับน่าตกใจไหมไม่ไหวละโรเยอร์รูทเอ่ยขึ้นท่านมองสินเยอล้อเธอยกใหญ่เสียแล้วอย่าไปเอาใจใส่ท่านเลยไปกันเถอะท่านจะพาเธอไปเยี่ยมใครอีกคนหนึ่ง ก็ดีเหมือนกันเขาไปเจ้ากล่าวและคนที่เรากำลังจะไปเยี่ยมนี้ก็เป็นคนสำคัญไม่ใช่น้อยทีเดียวนะ